พระบรมชาติาสั่งสอนฆราวาสกับพระพิชุส่์สั่งสอนอย่างไรบ้าสั่งสอนฝ่ายฆราวาสด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา 4. ี่ด้วยเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าว่านเรือนห้าด้วยให้อเมชสถานนะาวาัหน้าที่ของขราวาัตหน้าที่ของขาพิเศษสามเณรที่นี่หนึ่งห้ามกระทำความชั่วสองแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก้ม อบอกทางสวรรค์ให้นั่นทางพระพุทธศาสนาสอนวัดสิ่งไหนที่พระบรมศาสนามได้สอนไม่มีบันที่วันฑิต่โตครมาวาสังบันทิตเป็นทุกครองเรือนบันทิตก็คือพระสสดา์วันเราดีๆนี่เองนะนะันะนพวกเราเป็นพระสวสดา์วันหรือเป็นพระสวสดันต่างคนก็ต่างพิจารณาตนเองดูๆพระก็เหมือนกันโยมก็เหมือนกันนั่นนั่นน นั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูดไม่ได้นั่นออกนอกเอา้าคำสอนใดๆในไตรรกรธาตเป็นเวงขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาหมดถ้าเราหาเข้าใจว่าคำสอนใดๆเป็นเวงขึ้นคำสอ น, นพระพุทธศาสนาหมดอย่างนี้การเคารพพระพุทธศาสนามันก็ไม่ลำบากที่มันลำบากอยู่นี่ก็เพราะเหตุรากราตูพระพุทธศาสนาว่า คำสอนไม่เท่าโลกก็เขินมนุษย์สมบัติมีแล้วพระพุทธศาสนานะสอนที่ปฏิบัติทั้งเล่เป็นมนุษย์สมบัติถ้าล่วงแล้วว่านั้นเป็นมนุษย์วิบัติถูกไหมนะพระพุทธศาสนาสอนขั้นตอนในมนุษย์เสียก่อนมนุษย์สมบัติเสียก่อนมนุษย์สมบัติแล้วก็สวรรค์สมบัติแล้วก็พรมสมบัติแล้วก็พันธุพานสมบัติถ้าขัดต่อมนุษย์สมบัติแล้วก็สวรรค์ขัดต่อสวรรค์สมบัติ ก็คัดต่อพรหมสมบัติก็อคัดต่อพระนิพพานสมบัติเหมือนกันนั่นนายบายามุกแต่ละอย่างละอย่างมุขะมุขะแปลว่าชื่อหมายอยู่ซชิงว่าซึ่งกว่าไม่ได้หมายแต่การพนั้นชีห้ปฏิวัติทั้งเล่มเป็นภูมิของพระโสราบันทั้งนั้นนั่นนั่นน่นันนนน่พวกเราสงสัย ใ, ในการปกครองกันจะปกครองกันอย่างไดพระพุทธศาสนาบอกแล้ว ทำเป็นโรคกบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะปกครองโรคได้คือเฮ็ดความละอายต่อบาปอุตส่าหบาความทะลุกลัวต่อบาปถ้าทำสองประการไม่มาอยู่ในจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนแล้วกฎหมายกัดหมู่กัดพักกดัดพวกกัดกวตั้งไม่อยู่อูข้องคำไม่นำคํานึง่งก็หมดที่พึ่งพิ ง, พงอาศัยทําความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทางในที่รักนั่น น, นถ้ามันล่วงละเมิดอันนี้แล้วมันก็ไปล่วงละเมิดสินห้าเอียหมั้นกัน ถ้าโลกนับว่าสิ้นห้าก็อาบายจะมุขงั้นกันนั่นนั่นนันนั่นนั่ถ้าชาวโลกมีสิ้นห้าบริบูรณ์มีความละอายตาบาปมีความกลัวตาบาปแล้วทหารจะมีไหวทําไม่ตำรวจจะมีไหวทําไม่เออขายของจะเฝ้าทําไมไม่ต้องเฝ้าเพราะมีสิ้นห้าบริบูรณ์นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนไหนนั่นอยู่ที่ใจของมนุษย์เทวดามารมณมนะ คำ ส, สอนในพุทศาสนาสอนทั้งมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติทั้งทรงสมบัติทั้งนิพพานสมบัติ ด, ด้วยคำสอนในรดในไรในตารกากราแทเป็นเมืองขึ้นคำสอนในพุทธศาสนาหมด เชีนทียดจะไปในสีร่าก็ชี้ไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวทั้ในใดคําสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนในพุทธศาสในาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้อีกด้วยไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เชื่ออีกด้วยนะเทียงในทางสูงเที่ยงในทางลึกซึ้งเพื่อให้ทํานนึงได้หลายทางนั่นไม่เนาะครองเมืองวางต่างๆไหลองสู่มหาสมุทรเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใด คำสอนใดๆก็ไรลองสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อแล้วผู้ไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้แล้วท่านผู้ไม่รู้เหตุฉะนั้นนึงว่าสัทธาเทพระมนุษย์สาวนังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทางหลายทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาของโลกด้วยคําสอนแต่ละวัระบาตรส่งต่อพระนิพพานหมดณโมตัวเดียวก็ส่งต่อพระนิพพาน มันขึ้นอยู่กับผู้ส่งต่อทำไมจึงมีโลกีมาปนเปนกับโลกุตระปัญหานักธรรมเอกผูกขึ้นเดียวนี้เพราะเหตุว่าเอาคำสอนของศาสตราอื่นมาปนเปนกับคำสอนพระพุทธศาสนาก็เลยมีทั้งโลกีและโลกุตระปนเปนกันจุ่งเยิงมากเพราะ ลูกเขยขึ้นไปนั่งเตียงกับพ่อตาแล้วเอาพระธรรมเจ้งงาพระพุทธเจ้าไปขึ้นสเตจเอาศาสตราอื่นมาชกกับพระบรมศาสตามันก็ลำบากสิถ้าคิดใจนึกว่าคำสอนใดเป็นเรื่องขึ้นคำสอนทีาศาสนาหมดอย่างนี้การถึงพระพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่ลำบากไม่ได้ผเห็นเลยนะัก เห็นชอบเชื่ออะไระพุทธธรรมพระสงค์เรื่องต้นอย่างสอนไม่ออกผ่านรินสองแสนสี่หมื่นโยดเขาเอารูประเบิดประมาณทำลายแต่กิจใจถึงพระพุทธธรรมพระสงค์แล้วไม่มีใครทำแตกเลยนั่นคืออะไรนั่นคือดวงตาเห็นธรรมสกกรักขีติวิจิตราสีละพัตตาปรมามันละไปในตัวด้วยมั น, น ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดชิ้นห้าไม่เสียดายอยากจะถือสาธารอื่นไม่เสียดายอยากจักเล่นอบยอยัยวะไม่เสียดายอยากค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นร เ, เนี่อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายนำ้ำเมาค้าขายยาพ็ษ การค้าขายข้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากประกอบเลยสิ่งไหนที่ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเลยที่มันหนักใจอยู่ก็พระมันเสียดายอยากล่วงละเมิดทําไมมันจึงไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเพราะมันเห็นดิ่งลงไปว่าเป็นทางชิบหายไม่มีสารอุทธรดิ่งไปในทางถูกมันก็ถอนไม่ออก ติ่งไปในทางผิดมันก็ถอนไม่ออกคำว่าคิดผิดแปล ว, ว่าความเห็นเห็นไปในทางผิดมันก็ถอนไม่ออกเห็นไปทางถูกมันก็ถอนไม่ออกนะที่ถอนไม่ออกมันเป็นเป็นอุปทานไหมไม่เป็นอุปทา น, ปปทานเห็นทางดีถอนไม่ออกที่พระบรมศาสดาท่า น, า น, นมีกิเลสก็ดีหรือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันย่ ง, งถอนไม่ออก เป็นอุปทานไหมไม่เป็นอุปทานเป็นอุปทานเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ควรรักษานะอุปทานการอุปทานถือมันในกลางทิศอุปทานถือมันในทิศทีอันเห็นมิช้าที่ที่เห็นผิดชีละพระทูปทานถือมันในสิ่งรดเพราะไม่ยินดีในสิ่งพดของพระพุทธศาสนานนั่น น, น่นนันนนน่ถ้าขัดข้องธรรมะก็ขัดก็ตอบมา่านี่พวกมีเรียนทั้งนั้นแหละ พูดให้พวกนี้โมโหนีห่พวกนี้ในเรียนเราไม่เรียนหลับตาเราเพียงเรียนเพียงรับคำเอกเท่านั้นเอกตาเดียวอีกเแค่ด้วยไม่ใช่เอกสองตาคำสอนของลัพพชชาถนาเป็นภระมัจจรรันเบื้องต้นสุภจรป น, นูจะภาวนาจนขุ้มผมขุมข้นผมหล่นก็ต า, าม อดอาหารโซเซสักเพียงใดก็ตามเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ตามจะกามือขึ้นทะลุออกเหมือนพวกชีปปงชีเปลยก็ตามถ้ายังเสียดายล่วงละเมิดสินห้าเสียดายอยากจะถือศาธรารอื่นเสียดายอยากจะล่วงละเมิดอาวายยมุทุกประเภทเสียดายอยากค่าขายอันไม่ชอบธรรมที่เรียกว่ามิจฉาอาชีวะนั่นเองก็ไม่ใช่พระโสดาบัน เป็นพระโสดันโสดาโสดาดขามีถูกไหมถูกไหมทีนี้ปีติสหัคตาเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวนียเรารู้จักปีติเราข่มปีติลงจนถึงอนัตตาธรรมไม่ใช่สามไม่ใช่บุคคลหรอกปีติสหัคตาทำ ม, มาเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้พูดดังพูดดังฟังชัเพระข่มปีติแล้ว ปีติก็ส่งลงถึงอนัตตาทำใดๆในทั้งพวงส่งลงถึงอนัตตาหมดทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาในทางวิปัสสนาปัญญาเหนือเขาไปในอนัตตาธรรมอนัตตาแปลว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติแบ่งออกเป็นสองผ้าอนัตตาฝ่ายโลภุตระอนัตตาฝ่ายโลทีอนัตตาฝ่ายโลภุตระนับแต่สุภัทวโนเป็นต้นไปจนถึง ยายและสามีทุกสมุทัยเป็นอนัตตาที่ควรละควรเว้นมรรคกิริร์เป็นอนัตตาที่ควรเจริญให้มีและทําให้เกิดและทําให้เกิดให้มีและทําให้แจ้นะักนะักมันจะยากอะไรอนนั้ตาบาเป็นฝ่ายเว้นอนัตตาบุญเป็นฝ่ายเจริญตักตาก็ื่เหมือนกันอัตีิอั ต, ตรโรนมโตต์ตนเป็นในพึ่งของตนก็คือใจเป็นในพึ่งของใจนั่นเองก็คือทําเป็นในพึ่งของธรรมนั่นเอง มนะภาวนาทําเพื่ออะไรภาวนาอะไรภาวนาจะเอาอนิจจังทุกขังอัตตาไปพรันธะผลาดหรือไม่ได้เอาไปดรอกถ้าไปภาวนามันก็หลงว่าหลังหุ่มอยู่ดนรอบเป็นของเทีย่ยเป็นสุขเป็นของสวยงามเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเพื่อให้ข้ามทะเลหลวงส่วนนี้ ถ้าข้ามทะเลหลงส่วนนี้แล้วมันก็ดับเพลินในวัาตาสงสารก็เข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นนะกรรมฐานในทางพุทธศาสนาก็มีสองกรรมฐานเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็รูปกรรมฐานเพ่งอารมณเป็นอารมณ์ก็อารมณ ก, กรรมฐานรูปและอารมณเกิดขึ้นท่าแปรพลันแตกสลายนะนะนะั่นนั่นเทวุตรเทวราเยนโรมพยอมพระการยันตโลกบาลทั้งสี่สังขารโลกโลกคือสังขารชาโลกโลกคือหมูสัต โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ธารมะพัพรชร์นิพพานพรหมโลกได้แก่อรูปภูมิชั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้รวมลงมาในเป็นสังขารโลกสังขาราภรรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งสังขารในทุกอย่างนี้โลกเป็นทุกอย่างยิ่งอันนี้ตามมาทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันเมื่อใดเห็นสังขารได้เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเมืม่อนั้นยอดหน่ายในทุกนั่นแหละทางแห่งวิสุทธิ เิ่งในสุตติสมาธิในสุตติปัญญาสุตติไตรศิขาครบอยู่ในปฏิวัตินั่นเองปฏิวัติเพราะพุทธศาสนาเพื่ออุเพื่อพ้นจึงสมฉะนะของผู้ถือพระพุทธศาสนาปฏิวัติเพราะพุทธศาสนาเพื่อปัจจัยสีกิวันเป็นเสนาสนณะไดะเพศก็พอเป็นนิสัยนี่เองแต่เราทําไมเราจึงไม่ปฏิวัติพระพุทธศาสนาเพื่อพอเป็นนิสัยเพราะบารมีของเราแก่ก้ามาแล้ว ถ้าบารมีของเรายังดีในวัสมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติอยู่ก็เรียกว่าเราบารมีของเรายังไม่แก่เมื่อเราเห็นใครในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เราก็ดับเพินในวัฏสงสารอย่างเต็มที่อยู่ในตัวแลว้วจยกภาวนาอันไหนก็เข้าไปรวมอันเดียวกันเพื่อคพื่ทุกในวัฏสงสารเท่านั้นนางงามในทางพุทธศาสนาคือเป็นพระหรหันข้นไปแล้วมนิยมชั้นวันลนะ พระสงฆ์ดาวันสกทาคามียนาคาเมียนางงามชายงามก็เหมือนกันแก่แงงอนแล้วเบียงไหนก็ทางถ้าถึงสุภิญโภคยุยยะสามีอันใดอันหนึ่งแล้วก็เปิดประตูโลพุตระนั่นแหละนางงามชายงามในทางพุธศาสนานางงามชายงามที่คิดเด็ของพวกเรานุ่มน้อยหอมน้อยส่งเสริมส่งเสริมความมารวมนั่นแหละนางงามพวกเรา เหตุเช่นว่เราจรึงท่องเที่ยวอยู่างไรมันตาตสงสารนานนะักที่นี่กรรมฐานแต่ละอย่างอย่างดีหมดแต่สู้ลมหายใจเขาออกไม่ได้ลมหายใจเข้าออกมีะาาะอะไราาพระพุทธศาสนาเสียงเดียวศาสนาอื่นไม่มีการและกตาสติก็มีอะไรพระพุทธศาสนาเสียงเดียวลมหายใจเขาออกมันครบรูสติปัฏฐานส พิจณาลมหายใจเข้าออกก็เป็นกายายนุวัตนาอยู่แล้วเพราะถ้ามันมีลมกายก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อพิจารณาลมหายใจเข้าออกตรวจว่าเราสวยเวทนาอะไรเวทนาสุขหรือทุกข์ไปเวลาหายใจเข้าหายใจออกก็ตรวจเห็นก็เป็นเวทนานุวัตนาลมหายใจเข้าออกเราตรวจ ด, ดูจิตของเราว่าเศร้าหมองหรือผ่องแล้วก็เป็นจิตตาณุวัตนาแล้วลมหายใจเข้าออกพิจารณาเหตุความไร้เทียมก็เป็นธรรมานุวัตนาแล้ว แล้วพิจารณากายลงสู่อนัตตากายเป็นริสสักว่ากายเวทนาเป็นริสสักว่าเวทนาจิตเป็นนิสสักว่ า, าจิตทำเป็นแต่สักว่าธรรมคร้อมกับลมหายใจเขาออกแล้วก็สิ้นความสงสัยสติปัฏฐานสี่ย่ดลงเป็นสองกายายรูปชนะย่นลงเป็นกายตามเดิมเวทนาจิตตาธรรมาย่นลงเป็นนามขันนั่นนั่นนัก็มีแต่รูปขันนามขันเท่านั้นอยู่ในโลกเลย อธิษฐานปริยัติสูตรก็มีแต่รูปขันนามขันเท่งนั้นตาหัวจมูกเล่นกายเป็นรูปขันใจเป็นนามขันทั้งหลายมาหลงอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ทีนี้อนัตตลักษณ์สูตรก็มีแต่รูปขันนามขันเท่านั้นรูปมีดินน้ำไฟลมมาจงกันเป็นกันเป็นกายอย่ามาลูกผลผยฟันทั้งเรื่องกระดูกเยอในกระดูกมากพอใจตาฟันป่วยไตปอดไใหญ่อ่านใหม่อ่านเก่านี่เป็นเป็นรูป เป็นธาตุดินดีเะเลน้งเงือ่เงือมันค้นนำดาวไปมานาลายน้ำมูกน้ำไสเพราะน้ำมูดอันนี้เป็นธาตุน้ําไฟที่อางกายให้อกอุ่นไฟที่อังกายให้ชุดทองไฟที่อังกายควนควายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอันนี้เป็นธาตุไฟลมพัดขึ้นลมวนลมหายลมเลอลมอ้วกลมพัดลงเพื้องต่ําผายลมหรือถ่ายอุจจาระถ่ายปัสาวะลมในท้องลมในไส้ลมในท้องรอบไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวทนาสภาวะรากธาตุลมเขาเรียกว่ารูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็เป็นนามขันเนรูปกำนามเท่านั annual, ้นธรรมจักรพัฒนาสูตรก็เทศรูปกำนามเท่า hmm. น so, ั้นนะชาติพัฒนารารแนะนำความโศกเศร้าเสียใจเทศนามขันกับขีดที่เองกันก็มีแต่รูปขันนามขันเท่านั้นแต่ยังไม่คันบันหยักปานาชิสี่นักขาที่เจ็ดทสาอนุยตสเนี่ยทีวัดทีสามสี่ไปเจ็ดทีสองไปเจ็ดสี่เจสีทีวัดเจที่ห้าทำไมจึงไม่วันหยักในปฐมมาภพทีการ ก็เพราะเหตุว่าทำมาจากกัปวัตตนสูตรนั่นมันครบไตรสิกขาแล้วอัตถังยิโกมัคโคสยะทิสังสมาธิติสังกปวาัจจากัมมันตัวอาชีววานยโสดีสมาธินะ่ะมันย่นลงเป็นไตรสิกขาแล้วน่ะนะมันครบไตรพิโลกแล้วทำแต่ละวตบาตรครบไตรพิโลกหมดรตั ต, รรตรนสูตรก็ครบไตรพิโลกมงคลสูตรก็ครบไตรพิโลกอริยะชั้นการทัทสนั่งอนัตตสนั่ง นิพพานะเศรษิยญาจก น, นั่นทให้แจ้งซึ่งพระนิพพานซะนะ่นอาศัวนาจวารานังอยา่าคบพานชาติชาเป็นมิตรควรคบบันเทศบันเทศคืออะไรคือพระนหันบันเทศขั้นที่หนึ่งนั่นปฏิรู้ประเทศสวาะอยู่ในประเทศอันสมควรประเทศประเทศไทยเป็นประเทศสมควรที่มีพระพุทธศาสนาประเทศสมอันสมควรคือประเทศใจที่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นน้อมเข้ามาในเป็นในปารามัดนั่น ไม่ต้องสงสัยจะสงสัยทำไมทีนี่นักทรรมเอดถ้าตอบไม่ถูกในสนามหลวงฟังนะพวกนักทรรมเอกนะมาหาทั้งนั้นลเลยผู้ภาวนาพุโทโธพุโทโธนั้นเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเราผูกปัญหาขึ้นเดี๋ยวนี้ผูกปัญหานักทํรมเอกถ้าจะตอบให้ถูกในสนามหลวงเขา ผู้ภาวนาพุโทโธพุทโธนั้นเป็นสมถะเพราะเหตุว่าบริกรรมภาวนาภาวนาในวริกรรมและสามารถถึงอุปจาและสมาธิด้วยตอบเนี่สามหลวงถูกถ้าตอบอย่างนี้แต่ให้ผมตอบทุกวันนี้ผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นเน อ, อผู้ภาวนาพุ้โธพุ้โธนั้นจะว่าเป็นสมถะและวิปัสสนานั้นก็ไม่เชิงมันขึ้นอยู่กับภูเพจักตะปุญปญตาบุคคลที่ทําได้ช่างมาแต่พอก่อนชาติก่อนยบุชาหอน เวลาเขาภาวนาพุโทโธพุธโทโธอยู่เขาเห็นความบริกรรมของเขาอันปิตตสังขารหรือวจีสังขารเกิดดับอยู่ส่วนคุณพระพุธพะทธธรรมสงค์ไม่ได้เกิดดับไปไหนเป็นวิสังขารคุณเขาเห็นพร้อมกันในเวลาที่พิจารณาอยู่นั้นตรงกลืนกันเป็นเชือกสามเกลียวในคณะเดียวในปัจจุบันทนันการจะว่าเป็นสมถะมันก็ไม่ถูกยกกระทหอนอีกเช่นคู่บริกรรม ลูปไปลูปมาไะชังละละโชละนางระชังฮารติอย่างนี้ฉะไหนจึงแตกฉานในปฏิสัมพิทาสีอเล่าก็น่าจะเป็นบริกรรมภาวนานี้ฉนันใดตัดีมันขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่และท่านละคนที่สร้างมาแล้วในพุคนก่อนเพราะน้อมลงมาไม่เหมือนกันเหตุฉะนั้นปฏิสัมพิทาสี่จึงมีในพระพุทธศาสนาเราจะตออ่อจากนี้ใต้เราตอทุกวันเนี่ยเราไม่ได้ตออย่างนั้น พวะเราในมาปฏิบัตถูกไหมถ้าไม่ถูกก็กล <c oughs> ุ่มเหี้ให้ถูกพวกมหาอะไรนะเนี่ยเราก็จะเป็นมหาหรอกพระฝ่าพระพิบายังไม่หายว่าเขายังเขายังเข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลศีรญา พระหันจำพวกเดียวหายบ้าแลว้วออกจากโรงพยาบาลศีรษะัญญาใหญ่คือไตโรคกระแพระสุรดาวันหายบ้าเป็นเอกเทศพระสักตาคารเมียนาคารเนียนะก็เหมือนกันถูกไหมขน้นหาข้ามเทเลหลงด้วยทุความไม่หลงภาวนาอันไหนดีมดขอให้ส่งต่อพระนิพพาน กราบไหว้ก็ให้ส่งต่อพระนิพพานพุทธโทธรรมโมสังโขนิพพานไม่ในหวังเพื่อไหว้ไม่ไม่ในหวังเพื่อไหว้หลอกกินขนมไหว้เพื่อพระนิพพานพระเกีตนาดีถึงพระนิพพานหมดพุทธโธคำเดียวก็ถึงพระนิพพานได้พุทธโธไม่พามาเกิดไม่พามาเกศไม่พามาเก็บไม่พามาตายไม่พามาโรคไม่พามาโกรธไม่พามาหลงนั่นนั่นนั่นย่งลงถึงใน ป, ปัจจนาได้เหมือนกัน นั่นธรรมโมก็ทรงไว้ถึงธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่แก่ไม่ตายสังโคก็ปฏิบัติเพื่อไม่เกิด ไ, ไม่แก่ไม่แก่ไม่ตายตกลงพุทโธธรทรมโมเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ด้วยกัน <c oughs> ากาตินาหนอนจำปีวัตถุโตอัญญะมัญญาวิโยคามะเอกีปูตตมปนัตคโตนี่พวกนี้ฟังออกแล้วนี่ <c oughs> พวกนี้เรียนมากแล้วนี่สุชิกิโตแล้วนี่ยังแต่ปฏิบัติทท่านั้นปฏิบัติง่ายพวกนี้เรือ น, น่ะ <c oughs> อันไหนถูกอันไหนผิดปฏิก็รู้จากโยนพระมีแผนที่ เดินทางในแผนที่มันมันสะดวกดีถึงไหนก็รู้จักบางท่านบอกว่าถ้าภาวนาดีก็ไปเห็นนรกสิเออเขาเห็นทั้งภพมโลกเลยภาวนาขนาดิดเดียวเดี๋ยวนี้เห็นอันนี้จังขนาดิดเดียวเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอันนี้จังถ้าอย่างนั้นก็เห็นตามสัญญาไม่เห็นตามจักรสุ ป, ปัญญาปัญญาที่จักรุ สมัญต์ตจักรสูจัสูรอบข้อถ้าเห็นตามสมัญต์แตกจักรูรอบข้อบก็เห็นอ้นิกน่กลางคณะเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว <c oughs> เห็ น, นทุกคณะเดียวก็เห็นรอบหนึ่งโลกรอบหนึ่งแล้วนั่นเห็นดินน้ำไฟลมคณะเดียวก็เห็นรลกรอบหนึ่งแล้วพระลกเต็มไปด้วยดินน้ำไฟลมคนจะมีมากเท่าไรก็ตามก็มีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมเท่า น, นั้นก็มีแต่รูปสังขาร น, นามสังขารเท่า น, นั้นส่วนคิตใจที่เป็นคนเป็นแบบยกขึ้นขึ้นอยู่แต่ขั้นขั้นละคนนั่นถูกไหมนั่น ไม่ถูกก็คงเห็นให้ถูกใช่ไหมทีนี้จะพูดกันอะไรเอกไม่ไม่มันไม่มีสิ่งที่จะพูดนะอ่าพูดใดภาวนาอันใดก็ให้เรื่องภาวนาอันนั้นภาวนาทําให้เกิดถ้ามีข้า พ, พุทธศาสน์สอนในเห็เนภัยในวาระองสารเพราะบอกว่าวิปัสสนาธุระไม่ได้บอกว่าศีลธุระสมาธิธุระนั่นวิปัสสนาธุรก็คือปัญญาธุระเราดีๆนี่เองมัน สินพระสัสดา awan สักตาคามีนาคามีสินสมาธิปัญญาของพระสวัสดิสักตาคามีนาคามีนั้นจะไปเสมอกันไม่ได้ไม่ยิ่งก่อนกว่ากันจึงยืนยันว่าพุทธสีจำพวกสัมมาสัพุพะจำพวกหนึ่งพระเจับพุทธจำพวกหนึ่งสาวกสาวิกายจำพุทธะจำพวกหนึ่งพระพระเจ้พุทธจำพวกหนึ่งสาวกสาวิกายพุทธจำพวกหนึ่งนี่เรียกว่าพุทธสีจำพวก หมายถึงพระละหันที่นี่พุทธะเป็นเอกเทศพระโสดาบันเป็นพุทธะเอกเทศพระสัคทาคามีเป็นสาวกพุทธะเอกเทศไปจนตลอดพระนาคามส่วนพระละหันเป็นสาวกโกสาวิกาพุทธะสิ้นเชิงแล้วเรียกว่าสาวกโกสาวิกาพุทธะส่วนสัมมาสัมพุทธะเขเป็นประเจ้าพุทธะต่างหากสัมมาสัมพุทธะเป็นพุทธะชั้นที่หนึ่งพระเจ้าเป็นชั้นที่สอง สาวกสาวิกาเป็นท่านที่สามนักนั่นนนเดียวกับพุทธสีชมพูบางท่านก็บอกว่าพุทธพุทธะแปลผู้รู้ผรู้แต่ว่าตีผู้รู้เสมอกันเหมือนสมาธิพุทธะเราก็ไม่ยอมและและเราก็ฟังไม่สนิทด้วยนักไม่แยกออกทำแต่ละวัรรบาดส่งต่อพระเพพานหมดพระเพพานก็คือดับเพลินในวัฏฏสงสารนั่นเอง ผู้เพลินในวัตฏสงสารก็คือเพลินในล้วนฐานเพิงนั่นเองเพิงแก่เพลิงเก็บเพลิงตายเพิงโลกเพลิงโกรธเพลิงหลงเพิงปัจจานาไม่ได้สมหวังเมื่อเห็นปัจจุบันชัดสิ่งใดๆอดีตอนาคตสิ่งนั้นนนั้ไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นอันนี้จังชัดในปัจจุบันอันนี้จังในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นทุกในปัจจุบันทุกอดีตทุกอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเรามีจิตเลศอยู่แต่เรารับนับเม็ดหินเม็ดทรายในท่องมหาสมุทรได้ นับเมเด็ดแดดเม็ดลมเม็ดฝนในท่อมหาสมุทรได้ก็เรียกท่อเราเป็นเต็มหุงอยู่แต่เรานับได้เราเป็นคนเป็นคนขี้ดือ้อคนขี้ดุน้นเราลองนับเว็ดหินเมดทายดูเท่ากับลมหายใจเข้าออกนับได้นับไปหินก่อ น, นับมายากสิ่งไหนที่เป็นของแข็งก็เรียกว่าธาตุดินเอกะปัทวีธา เมธีเมทายจะไม่อยู่ที่ใดก็าตามนับลงเป็นหนึ่งสังฆโอไม่ไม่ใช่อสังฆโอฝนตกอยู่ที่ไหนก็นับได้ไม่ว่าจะฝนตกเม็ดน้ำในมหาสมุทรก็นับได้เอกะอาภวธาตนั่นั่นนัน่ลมพัดอยู่ที่ไหนก็นับได้เอกอาวายโยธาตธาตุาไฟไม่อยู่ที่ไหนก็นับได้เอกเตโชธาตุถ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่นับก็เป็นผีบา้าผู้เป็นกรรมการก็ผีบา้ากี่วันมันจริงจะจบ นะัพระพุทธศาสนาสอนทั้งสังฆโอและอาสังฆโอสังฆโอไปเอาสองก้ออาสังโอไม่สงก้อแปดหมื่สี่พระธรรมขัคคัไม่สองก้อสังฆโอลงมาเป็นเอกนิบาตคือเอกกิจเอกธรรมหรือทใจนั่นั่น่นพูดเป็นเอกานิบาตเอาภาวนาก็เป็นเอกานิบาตยาวพูดมากมากออกไปจากใจน้อยก็น่อยลงมาหาใจนะดีก็บวกขึ้นที่ใจชั่วก็บวกขึ้นที่ใจนะลบก็ลบออกจากใจ บางท่านก็บอกว่าเออนิฉันภาวนาข้ามเวทนาไม่ได้แล้วงปูจะทํำยังไงเออถ้าสําคัญเอาเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามไม่ได้สิถ้าไม่สําคัญเอาเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ต้องข้ามได้นิฉันทําจิตไม่ว่างพระเจ้าข้าเออถ้าสําคัญสําคัญจิตว่าเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ไม่ว่างสิแล้วก็พูดอย่างนี้ เมื่อเรารู้ตามจริงไม่ต้องทำกิริยาให้มันว่างมันว่างเองมันเหมือนเราหลับตาอย่างนี้เราลืมตาขึ้นไม่ต้องทำกิริยาให้มันเห็นมันก็ต้องเห็นเองมันนักท่านใดก็ดีเมื่อเรารู้เท่ามันแล้วมันว่างเองมันไม่ใค่เราจะทำให้มันว่างอีกถ้าเราทำให้มันว่างอีกมันก็เป็นกิริยาสนะกสารไตสวนสารตัดสินมันมีอยู่แล้วจับไฟก็ให้ไฟตัดสินเอา ถูกไหมนั่นเดียเดี๋ยว เ, ย ว, เวลาไม่ว่างไปแล้วรลหรือจะไม่ได้ไหายพระนะเ อ, อเรื่องสาพระพุทธศสาสนาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็เรียกว่าไหว้พระอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใช่ไหมนั่นแล้วเลิกได้ไม่เลิกได้ตรีขอเป็นข้าเป็นท่าพระพุทธธรรมประสงค์อยึงว่าไม่มีประมาณสัจจปาณาโมสัมปันโนอธิษฐานปาณาโมสัมปันโนสัจจความจริงใจคือพืชสิ่งใดก็อะไจริง อธิฐานปานามีสัมปันโนอธิษฐานธรรมมสี่ย่างปัญญารอบรู้สิ่งที่ความรู้สัจจะความจริงใจคือพื้นสิ่งใดก็จริงชาขะสระสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจรุปธรสมสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบเรามีสัจจะเนียมีอธิษฐานไว้แล้วเราก็จะไปไหว้พระอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนณโมเมชพุทธานังขอไหว้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อยู่ทุกเมื่อแล้วนึกได้ไหมนึกได้ก็ดี ณโมเมสัพธรรมมานังแลรึกได้ไม่รึกได้ก็ดีขอกราบไหว้พระธรรมทั้งหลายอยู่ทุกว่นไม่มีประมาณณโมเมสัพสังขานังขอกราบไหว้พระอริยสงฆ์อยู่ทุกว่นไม่มีประมาณแลรึกได้ไม่ได้ก็ดีถ้าเราไม่ระลึกได้เราก็ไม่เสียเปรียบเพราะเราอธิษฐานไว้แล้วเพราะเราตั้งสัตว์ไว้แล้วนั่นนั่นนั้นโง่ตาตาตาตยพวกเรานั่นถ้าไม่เห็นในปริยัติปริยัติเราก็ไม่ยัดเข้ามาในใจเรามันก็ไม่ถูกนั่น ปริญญาที่ท่านสอนไว้มันเพียงกระออมน้ําเท่านั้นที่ได้มาไม่ได้มาสอนไว้เนสี 5, ้าพรรษาเนี่ยมากกว่ามหาสมุทรเนี่ยฉะนั้นจึงกาไบประดู่ลายมากำในพาดขวาของเราเนี่ยกับอยู่ในชมพูเทวีอันไหนา่าเออกรณีกำพาดขวานั่นเองมีนิดเดียวเพื่อนฆะ่ะพูดใส่หน้าต่อพวกนักเรียนให้โมโหเนี่ยให้พวกนักเรียนโมโหใส่ โมโหวใสไหมพุทธธรรมสงฆ์เนพานไม่ได้ไว่ายแก้ตัวว่ายเพื่อพระเนพานถูกไหมนั่นไม่ได้ไว่ายเพื่อแก้ตัวไม่ได้ไว่ายหลอกกยนขนมใช่ไหมนี่นี่ของใครเนี่ยน้ำลายของ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมเนี่ยถ้าถือว่าเป็นของคนนั่นคนนี้ก็รุ่งเหยอะกันถูกไหมนั่นนั่นนั่นันนนนนน่ในไตรอกระทัดเป็นน้ำลายของพระอริยเจ้าทั้งหลาย เป็นเศษกระดาษของพระพุทธทเจ้าทั้งหลายอ่ะแต่พวกเราค้าขายกํากนอนมาแย่งกันถูกไหมนักทำไมถึงว่าเป็นของท่านท่านทิ้งแล้วทําไมถึงว่าเป็นของท่านท่านทิ้งแล้วอ๋อที่ท่านบ้วนน้าลายทิ้งอ่ะน้าลายคนนั้นน้าลายคนนี้แต่เขาไม่ได้อะไรนะน้ําลายจะเอาคืนมาอีกมดจอกันอยู่นะ ก็บอกว่านำลายคนนั้นคนนี้อุจจระคนนั้นคนนี้อันนี้ก็อันเดียวกันในไต้รกษาษาุกคาตาเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาหมดทั้งสังหาเรียบร้อมาทรัย์และอสังหารียมาทรั บ, รบนั่นนั่นนั่นมันเกิดปีที่สาคตาธรรมาปีที่สาคตาธรรมาแล้วทีนี้ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งที่นาที่เคยฟังแล้วยไม่เข้าใจชัด ย่อเข้าใจสิ่งนั้นชัดบรรเทาออความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องเจตผู้จิตผู้ฟังยอง่อผ่องใสไปเป็นตอนๆเพราะผู้เทศมีอบายมีอุบายต่างๆถ้าอย่างนั้นปฏิสัมพิทาสีมีไว้ทําไหมนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นฮัทให้แตกฉันได้อัดในธรรมอธิบายความย่อให้พิจารณาเอาพิดารมาลงมาเป็นยอ่อถ้าอย่างนั้นปฏิสัมพิทาสีมีไว้ทําไหม แต่เราไม่สำคัญตัวเป็นป็นสัมพิทาสิแต่ว่าหัดให้มันแตกฉันในอัตไนธรรมสุขัยพัสโกเจริญนิพพานาสามส่วนสมถะาส่วนเดียวนะเพราะเป็นโทสจริตเทวิโชชรละพิโลเป็นทสัมพิทาประตพวกเหล่านั้นจเจริญนปิปพสนาส่วนเดียวื่อจเจริญสมถสามส่วนอรพิณิหาร พระบรศาสดาแสดงอภิเนหารอยู่หรือไม่ทุกวันก็แสดงอภิเนหารอยู่ปาฏิหาริปาฏิหาริของพระพุทธศาสนามีอยู่ทรัพย์ใดในใจโลกธาตุาไม่เท่าทรัพย์พระพุทธศาสนาช่างสังหารเรีมาทรัพย์และอสังหานเรียมารัพดูดูพระพุทธ ร, รูปองเดียวนี่ราคาเท่าไรน่รูกศาสนาอื่นมีไหมนี่ไม่มีนั่นผีที่นี่กระตับผี ม, มียามีมีจาก ไม่ไม่จากมุงแค่นี้แหละกระตับผีนั่งนั่งแค่นั้ น, น, นเอาไปขายด้วยรู้ไงพระสวัาวิบาองค์หนึ่งไปขายกี่ล้านบาทไม่มีไม่มีใครซื้อได้พระสกทาคามีอานาคามีอหรหันต์เหมือนกันทรัพย์ในตจโลกธาตุสังหาริมทรัพย์กระตามอสังหานิมทรัพย์กระตามวิญญาณกกระทับกระตามสังวิญญาณกกระทับกระตามในวัตถุนิยมก็ไม่เท่าพระพุทธศาสานาอกีกนั่นัน่น นั่นศาสนาทุกศาสนาก็ดีอยู่แต่ว่าไม่ดีเท่าศาสนาพุทธเราสรรเสริญศาสนาพุทธเกรงจะไปผิดคนอื่นเรียกว่าลำเอียงเพราะความกลัวเรียกพยาคติใช่ไหมนั่นนั่นนั่นรักมันไม่เอาเรื่องกับมันเรียกฉันทากติใช่ไหมนั่น โกรธให้มันลังเกียจมันมันจะดีสักเพียงไหนก็ไม่ให้มันเรียกว่าโทสาคติใช่ไหมนั่นพิจารณาเรื่องนั้นไม่แตกยกกมโหหาคติใช่ไหมนั่นพิจารณาอันนั้นแตกอยู่แต่ว่าถ้าจะให้คะแนนก็เกรงว่าอันนั้นอันนี้เกรงผู้จะมีผู้เบียดเบือนก็เรียกว่าพยาคติใช่ไหมนั่นและคติสประการนี้แม้ควรประพฤตินั่นพระบรมศาสดานั่นนั่นนั่น คำสอนไหนๆจะเหนือคำสอนพุทธศาสนาไม่มีเลยในไตโรกท่าเนงั่ น, นถูกไหมงั่นจะปกคอรองกานวิธีไหนถ้าไม่มองดูคำสอนพุทธศาสนาละเออตั้งไว้ล้า น, า น, านกฎหมายมันก็ไม่อยู่นั่นทําความผิดในที่แจ้งไม่ได้มันก็ไปทําในที่รับนั่นนั่นนัดทีพาราปรณิณ า, ากาคนพานไม่ใช่คนหัวหน้า ปัญเทียาปัญญายากาบัณฑิต่อนั้นเป็นคนหัวหน้านั่นนั่นนั่นบันทิตนับเอาไหนนับเอาแต่สุพัิปโนเป็นต้นไปคนที่ควรเชื่อได้ข้างพุทธกาลในอเนกยศสองก็นับเอาแต่สุพัิปโนเป็นต้นไปนั่นนั่นั่นนอืมไม่ได้ว่าิพระมันก็ว่าอยู่ในตัวแล้วเนี่ยถูกไหมเนี่ยไม่ได้ภาวนามันก็ภาวนาอยู่ในตัวแล้วเลยใช่ไหมเนี่ยนั่นถ้าอย่างนั้น พาสิทใดๆก็ตามกะพูดไพเราะเสนสะโสตสักเพียงไหนก็ตามถ้าไม่ละอาในวัตฏสงสารเท่าพาสิทธ์เดียวก็ไม่ได้พระบรมศาสล า, ศากินตะกวีเรื่องกินแต่งกินให้แต่งเรื่องกินให้เขือเ่อ ง, ส, งาา ส, สัก เ, เพื่อให้ไพเราะในเชิงกราบสักเพียงใดก็ตามถ้าไม่เป็นที่สลดสังเวชเพื่อให้หนายเพื่อให้คลายเพื่อให้ สังเวทในวัตตาชองสารเนี่ยสู้ภาสิทเดียวไม่ได้พรอปรมัสสาสะดานักงนัน่นมีไม้ไปดูอยู่คู่เคียงเรียงรายกันในอะไรในพระเวทสันดนดรพระเวทสันดรของพระนครหลวงมีไม้ไปดูอยู่คู่เคียงเรียงรายกันสิ่งไหนที่ทําให้สลดสังเวทในวัตตาชองศารสิ่งนั้นคือตัวศีลคือตัวสมาธิคือตัวปัญญา เอา้าทำไมอาลาลาบทอุทกดาบทรามาบุนะจึงไม่สำเร็จพระโสดาวันเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ายังไม่ถึงไตสธนกคมเพราะไตสธนกคมยังไม่มียังเป็นนัทธิอันหนึ่งเพื่อประชันขันแข่งโลกอยู่เหตุฉะนั้นพระบ ร, รมศาสราจึงตัดสรวมใหม่หมจึงจะไปหาเพื่อเห็นคุณของท่านที่เรียนสมาบัติจ็สมาบัดแ่ด ตายคาอันั้นแปดหมื่นสีพันกับเป็นแตกเป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจําก็ไม่ใช่แปลเป็นไทยตายคากันไปเกิดในอรู ป, ประพรมแปดหมื่นสีพันกับยังจะได้มาเกิดในสักโลกอยู่ยังไม่ถึงพระโสดาวันเพราะไม่ถึงพระพุทธศาสนา เป็นสรานคมไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นไตสถนคมนะพระบวรมาศาสยา จ, จึงบ่นว่าเสียดายหนอถ้าเราทันมันก็จะได้ถึงปสวดาบันออกจากนั่นก็จึงไปหาพวกปัญจวัคคีนะอะไรไปหาอะไรไปฏิภ่พาชกอะไรอุปกะเดินสวนทางมาสันชีสะแต่ว่าสันชีสะก็ตาม แต่ก็ในข้างชุดท้าก็ได้ไปบวชไปจิมพระบรมศาสนารสอนไว้ในมหาปณินิพานสูตรพระสวัสดิ a w ทักษกาคาเมอานาคามีพระรหันไม่มีในศาสนาอื่นนั่นมีก็มีในศาสนาพุทธเท่านั้นอย่าเลยอย่าเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมนั่นถ้าอย่างนั้นพระตไตรปิฎกเอาไปเผาไฟจริงซะนั่น ถ้าจะไปเก่งแก่ศาสนาอื่นอยู่นั่นถูกไหมท่านมหานั่นถ้าจะพูดอะไรก็เก่งศาสนาอื่นถ้าอย่างนั้นพระไตรปิฎกเอาไปเผาไฟทิ้งซะนั่นพระพู้เป็นเจ้าสร้างเหมือนกันพระพู้เป็นเจ้าจิตพระพู้เป็นเจ้าใจนะสร้างขึลื่อนวาบและบุญนะพระพุทธศาสานาสอนอย่างนั้น พรามเราเราก็เรียกพรามเหมือนกันนาคเราก็เรียกเหมือนกันแต่หน้าของเราเป็นพระสวัสดิวันชกตาคามียนาคามียรหันท่านพูดอย่างนั้นพรามเราก็เป็นพระสวัสดิวันชกตาคามียนาคามียพระหันเขาเรียกพรามอง์ท่านเขาเรียกพรหมเหมือนกันพระบรมศารีรัตนนั่นเขาเรียกนาคท่านก็เรียกนาคเหมือนกันหน้าของเราเป็นพระสวัสดิวันชกตาคามียนาคาเมียรหันท่านพูดเหมือนกันพระบรมสาดานั่นสมณะอื่นไม่มี สุภะทาผู้บวชภายหลังได้สำเร็จพระนันทนาในวันนั้นในวันที่พระบระมศาสล า, าปารีณพภานนี่พวกนี้รู้จักจะตายทําไมไม่พูดนี่พวกเรียนมานี่นักธรรมจีทรรโทธรรมเอกมหาปเรีย น, นทั้งนั้นแ่ะพวกนี้นั่นนั่งทำไมถึงไม่พูดให้ฟังด้วยมหาปารีณพภานสูตร บ, บอกแล้วอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมเหตุฉะนั้นเราจึงเขารกธรรมถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถ จะรู้ทําได้ไม่ใช่เราจะอยู่เหนือธรรมเราอยู่ใต้อํานาจของธรรมสัทธมวคุกาตโบเราเคารพธรรมถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราก็จำแนกจําแนกทําให้เป็นเพราะธรรมมีอยู่ก่อนแล้วเราจะขยายธรรมออกเป็นนะไม่ใช่เราเป็นผู้แต่งธรรมเราเป็นผู้แยกธรรมออกให้รู้จักนี่ทานนี่ศีลนี่ภาวนานี่โลกีนี่โล ก, กุตระจะพูดอย่างนั้นพระบรมชาตาิลานั่นอย่าเลยศาสนาอื่นของเขาหนักไปในทาง วัตถุนิยมวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อูุของอนไรตังหัวหน้าของเขาก็เป็นพุทธชนเราดีๆนี่เองเขาจะได้พระสราบันสักคาคาเมียน า, าคามีมาจากประตูใดละ่ะนั่นประตูใดล่ะน่ะท่านพูดอย่างนั้นพระบรามศาสนะแต่พวกเราสียจะพูดก็หดอยู่เก่งว่าจะถูกลูกกระสุนเขานัน่ตายก็ยอมตายเดี๋ยวนี้เออเราพูดอย่างนี้งั่น ไม่ได้พูดเหยาดหยามใครเรียกว่าพูดตามเป็นจริงไม่ได้พูดเหยาดหยามใครของดีเราไปพูดของชั่วแล้วก็บ้าสินั่นจะปฏิเสมอก็ปราศตีเส ม, อ, เสมอยกตนเสียมท่านนั่นจะเอาพระเยชูเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปขึ้นสเตท่วยชกกันมันก็บาตายนั่นถูกไหมนั่นนั่นมโมโห พระสมาพระพุทธเจ้ารับแขกตอนกลางวันก็มีผู้มาอวดดีต่อพระบรมสาราก็มีผู้มาส่งเสริมก็มีสารพัดพระบรมสาราพวกเราไม่เชี่ยวองค์ท่านท่านเข้าเนรอดสมาบัตรเจ็ดวันเจดคืนไม่ได้กินอาหารเลยแต่พวกเราเนี่ยบวชมากลัวจะหิวอาหารนั่นรับแขกว่าก็กลัวจะตายพวกเรา พระบรมศาสดาตอนตวนจะสว่างก็รับแขกรับแขกเทวดาตอนใกล้จะรุ่งก็พิจารณาใครจะมีศรัทธาที่ไหนเราจะไปบิณฑบาตตอนกลางวันเวลาสายยันตะวันเย็นก็พุทธบริษัทมาฟังเทศทุกวันทุกวันเวลาไหนพระบรมศาสดาได้รับเกือบจะไม่มีนะนั่นนั่นเยวะในยุค ใ น, ในยุค ก, กลางใ น, ใ น, ใ น, ในยุค ก, กลางยังมาทำในบัญญัติสิขาบทยุคสุดท้ายบัญญัติหมดแลพพ้พระปสคูสามเณมาฟ้องกันเดี๋ยวว่าองค์นั้นทำอย่างนั้นองค์นี้ทำอย่างนี้ครับเป็นปากจิตีเป็นทุกกฎเป็นอะไรต่ออะไรสารพัด ช, ชำระความนั่นไม่มีเวลาพักเลยนั่นแต่เวลาเราไปดูหนังสามวันสามคืนก็ได้ใช่ไหมถูกหม ไปดูนะั้งดูละครโคดีตายคาเอกทหารดีตายคาสนามรบนักเทศดีตายคาธรรมะถูกไหมนี่นักเทศไม่ดีนักเทศโกหกถ้าถือถ้าถือว่าท่านโกหกเราก็มีสิทธิอยู่ก็อย่าไปเชื่อสีนั่นสภาพทางําว่าทางชีนาติ ให้อะไรเป็นทานก็ไม่ให้เท่าไม่เท่าให้ทำเป็นทานให้ทำเป็นทานชนะทานทั้งปวงเป็นห่วงวุฒธธิดาเกรงว่าจะปฏิบัติไม่ชอบธรรมถูกไหมนักพระบรมศาติดาเป็นห่วงพระราหุลเกรงว่าจะหมุนไปทางโลกก็เอาไปบวชซะนักถูกไหมมิตร ด, ดีสหายดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็ขีดกันพ่อดีแม่ดีครูดีอาจารย์ดี ตอนไหนดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็กีดกันถูกไหมนัน่มันเป็นภาวนาอยู่ในตัวแล้วนียสุดสังนแะพระเตปัญญ์ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานั่นนั่นั่ น, นั่พระปฏเกตเขาตําข้าวเขาร่องเพลงเออเวลาเช้าดอกไม้บานเวลาเย็นดอกไม้เหี่ยวท่านก็ ฟังแล้วท่านก็ไปพิจารณาอนิจจังท่านก็เลยเป็นพระปฏิจจ์แค่พวกพวกเราฟังจนหูจะแตกก็ไม่ได้ <laughs> เขาตำข้าวอยู่เฉยๆเขาไม่ได้เทศให้ท่านฟังท่านเอานอมาเป็นธรรมนั่นเขาตำข้าวเจ้าข้าวคา ก, กระเดืองลูกหลานไม่เห็นหรอกคาะกระเดืองมันเห็นแจโรงสีทุกวันเนีไงอะไรน่าที่นี่นะ <c oughs> เลยเวลาไปเท่าไหร่ เท่านั้นโมงเท่านี้โมงเท่านั้นชั่วโมงชั่วหนงโมงใจเป็นผู้บัญญัติขึ้นก็น า, นานีใจ่ถูกไหมนาที่กากับ น, นานิใจอันเดียวกันอออกดูดูดิมีแต่ร่างกระดูกตัดขั้นตัดขาออกต่างคนก็ต่างถ่ายอุจจาระปัสสาวะใส่นี่ต่างคนก็ต่างสาวไส้ออกมาดึงไส้ออกมากองไว้มันจะมีกลิ่นแะสียังไง นี่เรียกว่าอาุภากรรมฐานในท้องของเรามีอะไรบ้างในลําไส้ของเรามีอะไรบ้างช่องหูของเราทะลุทับทางนี้อีกช่องแก้วมูกก็พัดทะลุมันสมองของเราถ้าทุบออกจะมีลักษณะเป็นยังไงกลิ่นและสีจะเป็นยังไงตัดแข้งตัดขาออกเอามากองไว้ สมมติไปรากกระดูกเอามากองไว้สมมุติว่าตายวันหนึ่งสองวันห้าวันเ็วันมีน้ำเหลืองออกเม่นอนไตาตามรูจมูกหรือช่องหูช่องปากสมมุติว่ายังไม่มีใครเผาและไม่มีใครเอาไปใส่กโรโหลเลยที่งเกินกาดอยู่ มีแรงเอกามากินก้าก้าก้ามาจิกตาไปกินจิกนอนไปกินมแมรงวันตอมออกว้อนมีนอนคานคาค่ําคานอยู่ออกไปทวานนักก็มีน้อนเจาะน้อนชัยเข้าไปร่างกายก็เปือยขึ้นอืดทั้งหมดเนี่ย เรียงกันอยู่ทั้งหมดจะมีลักษณะเป็นยังไงกินและสีจะเป็นยังไงคำที่ว่าสวยงามไปไหนยังเหลืออยู่หรือไม่เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะพิจารณาทาั้งนั้นกระดูกมีสามร้อยท่อนท่อนยมือเอ๋ยข้อมือเอ๋ยแข้งขาเอ๋ยมีเส้นเอ็นผูกมัดรับลรงไว้แล้วก็สมมติว่าคนคนคนคน สัตว์ บ, บ, บ, บุคคลตัวตนเราเขามีธาตุสี่เดินน้ําไฟลมประชุมกันน้ําลายขาออกมากองไว้รวมกันเ ข, าาข้ามุจละของพวกเราถ่ายออกมาเต็มไส้ของพวกเราสาวออกมาเต็มเต็มสารานกระดูกก็เหมือนกันอะไม่มีธุระเกี่ยวของจะเ ข, าาข้ามาเขาว่าว่ามีธุระเกี่ยวของก็แล้วไป พ่อมาพระท่านตื่นขึ้นมาก็ไปตามตาไปตามหูไปตามจมูกไปตามลิ้นไปตามกายไปตามความนุกข์ทไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีเงินต้นเงินปลายถึงทั้งหลายที่เรียวกว่าสังสารวัตชั่วโมงหนึ่งหายใจเข้าออกกี่ครั้งที่ประจอเดินกี่ครั้ง เพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายค่ายๆกับว่าเอาได้เช่นเดียวผูกไว้ข้อยันไว้เกิดมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรกินเพื่ออะไรไปมาเพื่ออะไรกินพอได้อยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนอนพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อนอนนั่งพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อนั่งเดินพอได้อยู่ ไม่ได้อยู่เพื่อเดินเครื่องบอริโภคอุปโภคเครื่องใช้เครื่องสอยใช้สอยพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อจะใช้กระสอยเพื่อสร้างกุศลผลบุญลงที่ดวงใจเวลามีน้อยการท่องเที่ยวในวัดตาสงสารไม่ใช่เป็นของใหม่เป็นของเก่าที่เคยท่องเที่ยวมานั่นเองตาก็เป็นตาอันเก่า หัวก็เป็นหัวอันเก่าจมูกก็อันเก่าลิ้นก็อันเก่ากายก็อันเก่าใจก็อันเก่านึกคิดไปมาวนวี่งวนวายทําไมมันนึกคิดมากแท้มันนึกหาความสุขของมันเมื่อไม่เจอไม่เจอไม่พบบัตรก่อนนึกไปถ้ามันเป็นรอยเหมือนรอยรถรอยเดินมันก็ไม่ชนะชนงที่จะทําหนทางให้มันถ้ามันชนกันเป็นเหมือนรถความนึกคิดนี่ ดังตูมตามตุงตามตุงตามโป่งเป้งโป้งเป้งโป่งเป้ปองปอยู่ไม่มีกาวันคืนละผู้ท่ทองเที่ยวมาในวัดตาสงสารท่องเที่ยวมาเพราะกรรมของตอนเองอยังไม่หมดใช่นี่ใช่ศีลตนเองสิ่งไหนที่มันเสร็จในโลกแล้วไม่มีเลยงานอะไรที่มันเสร็จไม่มีงานหายใจเข้าออกก็ไม่เสร็จงานนึกคิดก็ไม่เสร็จงานมองดูรูปก็ไม่เสร็จ ฟังเสียงก็ไม่เส็จนึกคิดพูดก็ไม่เส็จเป็นสังสารวัตไม่มีเงื่อนต้นไม่ไม่มีเงื่อ น, นปลายผลลัพธ์คืออะไรก็คือทุกเราดีๆนี่เองจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาถ้าเรามาติดอยู่จนคุ้นเชื่อจนลืมตัวเชื่อเป็นของธรรมดาไปสักหรือเป็นของสนุกไปด้วยเจราเจ็บปวดมาพอเชือเป็นของทุกข์ีิ สิ่งที่ถือว่าเป็นสนุกสี่งนั้นก็จักรลายเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่จะพิจารณาทั้งนั้นมันก็เป็นตัวศีลอยู่ในตัวมันก็เป็นตัวสมาธิอ ย, ยู่ในตัวมันก็เป็นตัวปัญญาอยู่ในตัวมันก็เป็นตัวพุธทธธรรมสงอยู่ในตัวเพราะจะฟอกจิตฟอกใจให้อื่มละอาในวัฏาะสงสารสิ่งไหนที่ฟอกจิตฟอกใจให้อึ่มละอาในวัฏฏะสงสาร สิ่งนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาด้วยเป็นนิยาีิกรํานําสัตว์ทั้งหลายออกจากความหลงของตนด้วยถูกแพ้ความหลงมาหลายชาติหลายภพหลงของเก่าไม่ได้งหลงของใหม่หลงหนังหุ่มอยู่หลรอบด้วย